ปัตตานังอาจจะลังสุ ข, ขังไม่มีใครจะล่วงรู้คติความไปของท่านผู้หลุดพ้นโดยชอบผู้ข้ามพ้นพันธะและโอกหะคือกามผู้ถึงความสุขอันไม่หวั่นไหวได้ก็ฉันนั้นใครเนาะจะรู้ว่าสมรุราชอย่างดวงอาทิตย์ลับไปเนี่ยแสงสว่างหายไปอยู่ที่ไหนก็ใครๆคก็ไม่รู้ที่ไปฉันใดพระารรมทั้งหลายก็ฉันนั้น เสร็จแล้วพระองค์ก็ยับยั้งอยู่บริเวณต้นตรพโคใกล้ๆสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้7สัปดาห์รับอาราธนาของเท้ามหาพรหม น, นั่นคือสัปดาห์ที่8เป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองค์ขวนขวายที่จะไม่เรียกว่าเห็นความลึกซึ้งของพระธรรมเห็นความติดข้องอะไรในกามของสัตว์ทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อไม่แสดงธรรมพรหมก็มาราธนาให้พระองค์แสดงธรรม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 นะพวกพวกที่ออกเป็นนักบวชแสดงว่าตอนนั้นนะโมแต่ทําอะไรอยู่ไม่ทราบ ก, ก็เลยยังบรรลุทีหลังแต่ก็บรรลุอ่ะนะก็บอกว่าผู้ใดก็ตามที่อุทิตนีนะนะติดตามผู้ที่เป็นพระพุทธเจ้ามุ่งตรงต่อพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเชื่อเถอะบุคคลเหล่านั้นพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าท้ายที่สุดท่านก็ช่วยได้หมดนะ ขอให้มีทิศทางอยู่ในทิศทางเดียวกันเหมือนนอย่างใครที่มีแนวทางตามพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะท่านเหล่านั้นตรัสรู้หมดเลยหรือผู้ใดอย่างพวกนักบวชที่บวชอุทิศพระพุทธเจ้าบุคคลเหล่านั้นบรรลุหมดเลยนะขอให้ท่านผู้ทางสารานังคฉาญมีเอาไว้ให้แน่นนาแข็งแรงนะนะจะได้ตรัสรู้ในอนาคตต่อไปนนะอนาคตก็ถ้าขณะนี้บรรูุดได้ก็ไปก่อนเถอนะเหมืนะันนะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเล่าในพุทธวงว่าต่อจากสมัยพระปุทกาพุทธเจ้าเนี่ยนะเมื่อ92กับหลังจากนั้นมากับที่9กิเอ็ก็มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้สูงสุดแห่งสัตว์สองเท้ากู้มีจักษุอุบัติขึ้นในโลกพระพุทธเจ้าทําลายอาวิชชาคือกระเปาะคืออวิชชาบรรลุโพธี่ยานอันสูงสุดพระองค์ก็เสด็จไปยังกรงพันทุ่มมาดีเพื่อประกาศพระธรรมจักร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 แสดงว่าตอนนั้นนี่ไม่เบาเหมือนกันนะเนี่ยพวกเรานี่อยากคิดว่าโปรดง่ายนะนะพระพุทธเจ้าผ่านไปตั้งหลายองค์ก็โปรดพวกเราไม่ขึ้นใช่ไหมตอนนั้นนะโปรดได้ได้แต่สร้างบุญส ร, สร้างวาสนาสร้างอุปนิสัยก็ได้เท่านั้นเลยหลายๆอย่างรู้ว่าดีทำไมบอกเอาไว้ก่อนนะจริงนะอย่างวันนี้บอกอวันนี้อันนี้ดีไหมบอกดีเอาไหมเอาไว้ก่อนนะนะนี่ยบอกอภิธรรมจะดีมากเลยเรียนเลยไหมบอกเอาไว้ก่อนนะนะจะไหม บอกว่าอา้าวไปไหวพุทธคยาดีไหมดีไปเลยไหมก็เอาให้ก่อนเลยนะคือพวกแบบนี้มนะันก็เลยก็เลยนี่แหละรุ่นเพราะหาเหตุผลอธิบายได้หมดนะเหตุผลอธิบายว่าทำไมตัวเองยังไม่บรรลุบางนะอันอ้าบรรลุอธิบายได้หมดเลยเก่งจริงๆเลยนะเรียกว่าอะไรนะหาข้อแม้ที่จะต้องอยู่ในวัฏฏะต่อไปจนได้อย่างบอกก็เรามันปุตุชนบางอันนะพวกพวกนี้อนุรักษ์นิยมก็เลยรักษาความเป็นปุตุชนยินดีแห่งภาวะความเป็นปุตุชนได้นาน เพราะฉะนั้นอะไรที่เปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเธอไห น, น, นแก้ไขได้ก็แก้ไปเธอจะอนุรักษ์ไว้ทําไมเนี่ยนะมีอะไรสักก้อนหนึ่งที่มันเม้นๆอยู่บนหน้าผากไม่ต้องรักษาไว้โรคคือพูดถึงพระโพธิสัตว์เนี่ยน ะ, อะขออภัยพระพุทธเจ้าได้ปโปรดกุมารทั้งสองคือขันธราชโอรสแล ะ, ะ ข, ขันดราชโอรสนั้นนะเป็นน้องต่างมารดา ข, ของพระองค์ติดสักกุมารบุตรปุโรหิตให้ตรัสรู้ต่อมาครั้งที่สองเนี่ยนะว่า พระองค์ก็ยังภิกษุ 8.4 พันที่ออกบวชตามพระขันตราชออรสและติสกุมารบุตรปุโรหิตให้ดื่มอมะตะธรรมอันนี้เป็นอภิสมัยการตรัสรู้ครั้งที่2ที่พระองค์ตรัสว่าพระผู้มีพระย์ประมาณม่ได้ก็ตรัสรู้ครั้งแรกหาประมาณม่ได้แล้วยศของพระองค์จะเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือบุคคลที่ตรัสรู้รำเนี่ยนะทุกคนถือว่าเป็นที่ตั้งแห่งยศของพระองค์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 นะเยอะนะจะรูจตุราศีติสหั ส, สานี่เนี่ยนะก็คืออะไรนะอย่างที่เราสวดจตุราศีติสหัสธรรมคันธานุภาวเวนะก็คืออนุภาแห่แงพระธรรม 84,000 พันพระธรรมมันธ์นี้ผู้ที่ตรัสรู้ก็8 4 0 0 0ก็คือพวกบุรุษที่รับใช้พระวิปัสสีโกมาร น, นั่นเองบุุรเหล่านั้น ไปยังที่รับใช้พระวิปัสสีกุมารแต่เช้าพอไม่เห็นกุมารก็กลับไปเพื่อกินอาหารเช้ากินอาหารเช้าแล้วก็ถามมันว่าพระกุมารอยู่ที่ไหนจากนั้นก็ฟังข่าวว่าเสด็จไปยังที่พระราชวิทยานก็พากันออกไปด้วยหวังว่าจากพบพระองค์นะที่ราชวิทยานเห็นสารถีของพระองค์กลับมาทราบว่าพระราชกุมารทรงผนวดแล้วก็เปลื้องอภร์ทั้งหมดในสถานที่ฟังข่าวนั่นเอง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 การตรัสรู้ธรรมก็ได้มีแก่ภิกษุ 84,000 น่พันนั้นเป็นอภิสมัยครั้งที่3อย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าบุรุษ 84%, 0 0พันบวชตามพระวิปัสสีสามพุทธเจ้าพระผู้มีพระจักษุแสดงคำโปรดบันประชิตเหล่านั้นซึ่งมาถึงอาราม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 ภิกษุห8 6่0 0ันเนี่ยนะ 6, ซึ่งบวชตามพระวิปัสสีพุทธเจ้าและพระอัคารสาวกณเคมะมิกทายวันโยกโอวาทปาติโมกขึ้นแสดงอย่างนี้ว่าขันตีปรมังตะโปตีติขานิบบานังปรมังวทันติบุทธาณหิปัพชิตโตปรูปคาตีณสมนโนโหติปรังวิเหทยันโต สัพพาปัสสะการณังกุสละโสปสัมปธาส จ, จิตตประโยชน์ทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังอนุปวาโทอนุปคาโตปาติโมเขจะสังวโรมัตตัญุาตาจะผัตสมิงปันตัญจะไยนาสนังอธิจิตเตจะอายโยโคเอตังพุทธานาสาสนังขันตีปรังตโปติติขาพระพุทธเจ้าตรัส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 นะครับพื่อ้อื่นจะแปลสัมนวนเนี่ยนะถ้ายังยังทําร้ายผู้อื่นอยู่ก็เป็นบนรรปะชิตไม่ได้ถ้ายังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ก็ไม่ชื่อว่าเป็นบนรรปะชิตสัพปาปัสสะกรนังการไม่กระทําบาปไม่ทําอกุศลโดยประการทั้งปวงอันนี้เป็นชื่อของอธิศีลศิกขากุสลสูประสบปะทาทํากุศลให้ถึงพร้อมอันนี้เป็นชื่อของอธิจิตตศิกขาสจิตตปรโยธปนัง การชำระ จ, จิตของตนให้ผองแผ่ให้ข่ารอบอันนี้เป็นอธิปัญญาสิกขา น, นะการสอนอธิศีนอธิจิตอธิปัญญาทั้งหมดนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเอตังพุทานาซาสนังอนูปวะโตอณูปวาโทอนูปคาโตเนี่ยนะอณูปวาโทก็คือการไม่เข้าไปว่าร้ายอนูปคาโตการไม่เข้าไปทำร้าย ปาติโมกเขจะสังวรการสำรวมในพระปาติโมกเนี่ยนะก็คือศิกขาบทคื อ, อพระปาติโมก น, นะก็คือประราชิกสี่สังคาทีเศษสิบมอนุยตสองอ น, นะปจิติ30ินิสเยปาจิตีสาปจิตีิ92เป็นต้นเนี่ยนะเรียกว่าปาติโมกพันต้องสำรวมในพระตะปาติโมกมัตตัญยุตตาจะพะตัตตสมิง ความรู้จักประมาณในพัตตาหารรู้จักประมาณในการสแสวงหารู้จักประมาณในการรับรู้จักประมาณในการบริโภคในปัจจัย4ปันตันจะสยาาสนังการนั่งการนอนอยู่ในที่นั่งที่นอนที่สงัดปราศจากผู้คนเป็นต้นอาทิจิตเตจะอายโยโคการตามประกอบความเพียรในอาทิจิตคือเจริญอาทิจิตทำจิตอย่างยิ่งให้เจริญขึ้น ทั้งหมดเหล่านี้เอตังพุธานาซาสนังทั้งหมดนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายเมื่อมีสาวกสนนิบาตจะแสดงโอวาทปาติโมกเหล่านี้ค า, า, า, าถาปาติโมกอุเทศเหล่านี้เป็นของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ยนะพระพุทธเจ้าทุกองจะแสดงโอวาทพระปาติโมก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 ปราชิกกุเทศสังคาที่เสร็จสุดเทศอันนี้ยศตุเทศและก็อุเทศที่เหลืนี่นะก็จะมีการยกขึ้นมาแสดงในวัน14่ค่ำและ15คหาค่ำสำหรับพระพิสุที่ประชุมการ4รูปขึ้นไปอันนี้เป็นข้อวัดเป็นสิ่งที่พระพิสุทั้งมวลต้องปฏิบัติเนี่ยนะ ส่วนสาวกสนิบาตครั้งที่สองก็มีจำนวนภิกษุ1นึแสนเห็นยมกะปาติหารในนะที่พระองค์แสดงปาติหารเป็นคู่คู่ที่เป็นอาสาธารณญาณเป็นความสา ม, มารถเฉพาะของพระพุทธเจ้าพอเห็นแล้วก็เลื่อมสายได้ฟังธรรมก็บวชครั้งพระกนิจตพาดาสพระองค์ต่างมารดาของพระวิปัสสีพุทธเจ้านะไปปราบปัจจันตประเทศให้สงบคล้ายๆกับใครคล้ายๆกับพระชดินสพี่น้องอ่ะนะ ได้รับพระราชทานพรด้วยการทําบุญทํานุบำรุงพระผู้มีพระภาคเจ้าก็นําเสด็จมาสู่พระนครของพระองค์และก็บำรงุงพระองค์สดับพระธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็ผนวดพระผู้มีพระภาคเจ้าประทรับนั่งท่ามกลางภิกษุ8ล้านเหล่านั้นก็แสดงธรรมนะยกปาติโมกข์นะขึ้นแสดงณเขมิกระายาวันนั้นเป็นสัตว์นิบาศครั้งที่สา เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระวิปัสสีพุทธเจ้าว่าพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มีสันนิบาตการประชมุมพระสาวกผู้ขีนาศบไร้มนทินมีจิตสงบผู้คงที่สาครั้งการประชมุมพระสาวกหกล้านแปดแสนเป็นสันนิบาตครั้งหนึ่งครั้งที่1ครั้งที่สองห0 0 0ง น, นะครั้งที่338มแ0 0หมื่นนี่ยนะ นนะก็มีสันนิบาตการประชุมสาวกสามครั้งพระสัมพุทธเจ้าทรงรุ่งโรธท่ามกลางหมู่ภนะิกษุณเขมิกัทายวันเหล่านั้นก็คือพระองค์ผู้รุ่งโรธแปลว่าสว่างสวัยเพราะไม่มีพระภิกษุเหล่าใดที่มีรัศมีออกจากกายพระองค์เนี่ยรุ่งโร ด, ด้วยแสงสว่างแห่งรัศมีทางร่างกายและปัญญาทางจิตใจฝ่ายพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยนะเป็นพญานาคเชื่อว่าอัตุละมีฤทธานุภาพมากมีนาคหลายแสนโกดเป็นบริวาร ก็อย่างที่กล่าวนะถ้าท่านนาคเหล่านั้นแปลงร่างเป็นงูหมดเนี่ยเยอะย่อเยหมดเลยนะมีนะไปอ่านในอะไรนะผูริทตะชาดกแหมพญานาคมากวนเมืองกาสีของในตอนนั้นเนี่ยพญานาค น, น, นั้นเนี่ยนะแต่เป็นพญานาคที่มีบุญน่ยนะพญานาคที่เพื่อสร้างบุญไม่ใช่มาทําบาปพญานาคก็สร้างมนดกอันสําเร็จด้วยรัตนะแบ่งออกเป็นเจส่วนอันมั่นคงพองแผ้วที่น่าดู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 ทำบุญตามสมควรที่ตัวเองจะจัดสรรดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เจวันแล้วก็ได้ถวายต่างทองกัจิต ด, ด้วยรัตนเจ็อันรุ่งเรืองด้วยประกายโชษช่วงแห่งมณีต่างๆสมควรยิ่งใหญ่นะทุกอย่างเนี่ยจัดให้มันที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า ครั้งนั้นพระวิปสัสสีพุทธเจ้าก็สงพยากรพระโพธิสัตว์นั้นเวลาจบอนุโมทนาปีตะานทานที่ที่บูชาด้วยที่นั่งนะปีถาคือที่นั่งพระองค์ก็อนุโมทนาว่า91อดกับนับแต่กับนี้ไปรอยอหน่อยนะกบดกับท่านจะได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่นานนะแค่9กบเอกับเองนะไม่นานเท่าไหร่ นะเพราะว่าน้ำตามากกว่านี้อยู่แล้วทนอยู่ใต้ใตังหน้าไม้เนี่ยนะของเราบอกอุย้ยนานเกินไปปัญหาว่าอีกการเสวียกลับจะได้บรรลุหรือเปล่า อ, าอะไรมารับรองกันนะทําท่าว่าเหมือนนานนะที่ไหนได้ยาวขนาดนี้กันนะอุย้ยไกลจังเลยตั้ง2กิโลที่จริงคุณยังเดินอีกพันโยชเหมือนกันะนะนะพระโพธิ์พระพุทธเจ้าเล่าให้ภาษารีบุตรฟังนีนะนะคื อ, คอในการแสดงพุทธวงเนี่ยถือภาษารียบดูเป็นผู้ฟังหลักนะนะผู้อื่นก็ฟังตามไปเหมือนกันะ โป่งก็บอกว่าสมัยนั้นเราเป็นพญา น, นาคชื่อว่าอตุระมีฤทธิ์มากมีบุญทรงรัศมีโชค ช, ช่วงครั้งนั้นเราเวทล้อมด้วยนาคหลายโกรธบรรเลงทิพดดนตรีเข้าไปเฝ้าพระผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปสัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกได้ถวายตัางทองอันขจิตด้วยรัตนะคือแก้วมณีและแก้วมุกดาประดับด้วยอาภรทุกอย่างแด่พระผู้เป็นพระธรรมราชา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 และพระจันทมิตรตาโพพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกว่าต้นปาตลีพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูงแปดสิบศอกพรัศมีของพระองค์เล่นไปโดยรอบเจ็ดโยชนยุคนั้นมนุษย์มีอายุ8 0ดหมืปีพระชนมายุของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีชนมายุยืนถึงเพียงนั้นก็ยังหมู่ชนเป็นอันมากให้ข้ามโอเะสงสาร พระพุทธเจ้าวิปสัสสีเปลื้องเทวดาและมนุษย์เป็นอันมากจากเครื่องผูกนั่นคือสั่งโยติบอกทางและมิใช่ทางกับพวกปุถุชนที่เหลือหมายคือว่าผู้ใดพอจะบรรลุได้พระองค์สอนให้บรรลุเลยถ้าผู้ใดที่ยังไม่บรรลุได้นั้นะนะไม่สามารถจะบรรลุในชาตินั้นได้พระองค์ก็กําหนดแนวทางวางทิทางให้เขาได้ตรัสรู้ในอนาคตพระองค์และพระสาวกสําแดงแสงสว่างด้วยปัญญา แสดงอมตะบทคือพระนิพพานรุ่งโรดสว่างสวัยด้วยปัญญาแล้วก็ดับขันทปรินิพานเหมือนกองไฟโพลงแล้วก็ดับไปฉะนั้นพระวรริตอันเลิศพระบุญญาที่การอันประเสริฐพระวรรลักษณ์อันบานเต็มที่แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่กล่าวไปแล้วนั้นก็อันตรธานไปสิ้นสังขารทั้งหลายทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แท้ บทว่ามัคามัคคันจะอาจิคิแปลว่าพระองค์ทรงบอกปุถุชนที่เหลือวันนี้เป็นมัชชิมาปฏิปทานะจงปฏิบัติไปตามสัมมาทิฏฐิไปเถอะปฏิบัติตามสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสา ม, มาธินะอย่าปฏิบัติตามอุตเชท ท, ทิฏฐิอย่าปฏิบัติตามแนวศัสตทิฏฐิขอให้ปฏิบัติใน ตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เพื่อบรุลออมตะธรรม น, นะเพราะว่าการทำตนให้ลำบากก็ไม่ใช่ทางนะการแสวงหากามมาสุกก็ไม่ใช่ทางแต่มัดชิมาปฏิปทานั้นเป็นหนทางเมื่อพระองคแ์แสดงแสงสว่างด้วยอนุภาพมรรยาณและแสงสว่างคือวิปัสนาญาณแลว้ว น, นะด้วยพุทธานุภาพเหล่านั้นเนี่ยนะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราสรรพสัตว ฝายพระองค์ผู้รุ่งโรธรุ่งเรืองเต็มที่ผู้มีฤทธิ์มากบุญมีบุญมากลักษณะที่งดงามประดับงดงามอย่างเต็มที่มหาปริศลักษณะ3 2อนุพยันชนะ80นนะสันะศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานุทัศนะคุณธรรมเหล่านี้ก็อันตรฐานประจากลโลกสังขารทั้งหลายก็ว่างเปล่าแน่แท้ จบจนบัดนี้ถ้าเราไม่อ่านพระสูตรไม่อ่านพระไตรปิฎกแทบไม่เหลือเลยว่าเคยมีพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีย่อลงมาก็นโมพุทธยะขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าเจพระองค์เจ็ดพระองค์องค์ไหนบ้างก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าเราเรียนพุทธวงศ์อย่างนี้แล้วก็อาจจะค่อยๆระลึกแต่ถ้าเรียนมหาประานสูตรถ้าเรียนมหาประานสูตรต่อไปในทีคณิกายมหาวักเนี่ยนะ มหาประทานสูตรก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเจพระองค์คือวิปสัสสีสิกีเวสภูกากูสันทะโกนาคมณะและพระพุทธเจ้ากัสปะแต่ข้อความในพุทธวงศ์เนี่ยนะผ่านพ้นไปแลว้วนะทั้งหมดมี24พระองค์นะอ่ะยีบพระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราหรือเปล่ า, านะรวม25พระองค์รวมทั้งพระองค์ของเราบาัดนี้เรียนไปแลว้ว19พระองค์เหลือ อ, อีกเท่าไหร่ อีกเจพระองค์เจพระองค์อ่ะเจ็พระองค์บวกกับพระพุทธเจ้าของเราคือเหลืออีกเจพระองค์อ่ะสิขีเวสภูกะกูสันทโกนาขมนากะส ป, ปะโคตมะหองคเนาะหองค์นับได้ยังไงทั้ง7็องค์ะนะโอ้ยคณิตศาสาร์ก็ตกบอกโอ้หมดเวลาละหนักๆเข้าจะบวชเลขไม่ถูกแล้วแปว่าหมดเวลาได้เวลาพักผ่อนนะนะท้ายที่สุดของพระธรรม ท, ที่ได้ยกมากล่าวเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธเจ้าพระนามว่า พระพุทธเจ้าผดสนะอะไรงสะเป็นต้นมาเนี่ยน ะ, ะนะบุญกุศลคุณงามความดีที่ได้รับฟังศึกษาเล่าเรียนและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเหล่านี้ขอบุญกุศลเหล่านี้ขอให้พวกเราทั้งหลายปราศจากทุกโศกโรคเวรภยัยอันตรายทั้งปวงขอให้ประสบแต่ความสุขความเจริญงอกงามในพระพุทธศาสนาะนะเจริญด้วยมงคลทั้ง38ปประการได้ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทา ประสรุ้ธรรมเป็นที่พ้นทุกทุกคนทุกท่านอนุโมทนา